การภาวนาสำคัญมากทีเดียวนะจะเลิศเลยจะเห็นอยู่ที่ใจเร็วได้ที่สุดก็คือหัวใจดูหัวใจจริงแล้วความเร็วได้มันจะค่อยเบาลงเบาลงความดีความสงบรลมเย็นจะค่อยปรากฏขึ้น ใ, นในใจของเราอย่าไปดูภายนอกยิ่งกว่าดูหัวใจที่มันดีบมันดิ้นอยู่นั้นนั่นล่ะนักภาวนา เก็บความรู้สึกไว้ให้ดีอย่าป้ะแปะป้อแปะแล้วออกแล้วออกแล้ว